วันนี้ก็จะต้องพูดถึงเรื่องกำลังใจกันหน่อย <c oughs> เพราะมองมองดูแล้วมีหลายหลายคนนักศึกษากำลังใจชักจะย่อแย่อาการไม่ค่อยดีไปหลายคนวันนี้ก็จะต้องว่ากันถึงเรื่องเพิ่มพลังใจซะหน่อยไม่ใช่นักศึกษาเท่านั้นหลวงพ่อก็ย่อแย่เหมือนกัน เอรู้สึกว่าพลังใจมันวันนี้เปียไปนิดหน่อยเลยแอะ อ, อะไรน้ามันแก้เปียได้นึกออกอ๋อไอวีนี่เองไอวี IV พีดมันมีกลิ่นชนิดหนึ่งที่ที่ตัวพีดเนี่ยพอมันเข้าตหมูกแล้วมันมีแรงขึ้นทันที ก, ก็เลยเรียกไอวีพีดมาซะ กล่องหนึ่งได้แรงโอ้ได้แรงขึ้นมาเยอะเมื่อครั้งพุทธการมีสมณีนองค์หนึ่งชื่อว่าติดสะและอายุเพิ่งจะเจ็ดขวบแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เรามาคิดถึงว่าเด็กเจ็ดขวบเวลาที่ไปสอนที่ สาธิตภาสานมิตรนี่ยังแปดขวบยังโตกว่านเนรองนั้น่ะเจ็ดขวบพระพุทธเจ้าสเสด็จไปถามสมณเณรว่าเอกะนามกิงอันนี้เป็นภาษาบาลีหรือภาษาแขตแปลเป็นภาษาไทยว่าหนึ่งคืออะไรหนึ่งไม่มีสองคืออะไรสมณเณรตอบทันทีว่าสเปสตาหาริตติกา ก็เป็นภาษาแขงอีกแล้วแปล ว, ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารพราก็ได้เจ้าก็ตรัสตอบว่าถูกแล้วเน้นถูกแล้วทีนี้มาพูดกันถึงว่าในบรรดาที่เราอยู่กันอยู่เวลาเนี้ยขาดอาหารไปสักอย่างหนึ่งเนี้ยก็คงจะตายเรียบเพราะฉะนั้น ก็อยู่ด้วยอาหารอาหารอะไรที่เรียกว่าเป็นอาหารกทั้งข้าวทั้งปลาทั้งน้ำทั้งโอ้ารพัทพวกนี้เขาเรียกว่าอาหารทั้งนั้นแล้วขาดใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อมันขาดพลังขึ้นมาเราก็เติมพลังแน่เช่นอย่างเราจะขึ้นดอยอินทนนท์นี่หลวงพ่อสั่งอาหารไว้เพียบ <laughs> มิฉนั้นแล้วมันจะขึ้นไม่ได้ถึงครึ่งลูกแล้วก็คงจะกลิ้งลงมาแล้วจะทำยังไงเพราะว่าอาหารไม่มีอ่ะจะขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่าเอ๊ะใ ป, ปฏิบัติทำไมไม่รักษาสิมแปดรักษาสิมแปดก็ล่อแล่แลวสิล่ อ, อแล่ไงก็เพราะว่าเคยสามมือแล้วไปให้กันสองมืออย่างเนี้ย แล้วก็อาหารมันก็ไม่เหมือนของเราอย่างนี้ในที่สุดก็เดินขึ้นไปไม่ถึงสองลูกก็คงหลวงพ่อไม่ไปแล้วว่าแต่ว่าทุกครั้งที่ไปดอยอินทนนท์หลวงพ่อก็ให้อาหารสามมื้อตลอดทั้งพยักษ์ทั้งมังกรพยักษ์เนี่ยมันยิ่งกินเยอะ มังกรก็กินจุอ่าแต่อิอนทรีย์นี่ของกินไม่มากเท่าไหร่กร็ได้จัดอาหารไว้น้อยหน่อยอันนี้พูดเล่นนะพี่อย่าไปว่างนั้นนะไม่จริงหรอกอาหารก็คงปกติเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่า อาหารไม่สำคัญไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าเวลาที่อดอาหารได้อะไรรลวงกขาบอกว่าอาัตตากิละมาฐานโยทำตนให้ลำบากเปล่าคือลํลำบากเปล่าหมายความว่า อ, อ, อดไปเปล่าเปล่าปี่ปี่ร่างกายก็แทบจะทานไม่ไหวก็เรียกว่าอัตตกิละมาฐานโยทำตนให้ลำบากเปล่า คือลำบากไปว่าเปล่านะอดอาหารเพราะฉะนั้นอาหารจรึงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงยกตัวอย่างเช่นพระหกสิบองค์ที่เล่าให้ฟังไปก็อดอดอยากหยากนั่งสมาธิก็อดอดอยากหยากไม่เต็มอิ่มบางทีก็ได้เท่ากับรํามือเดียว แล้วก็ตอนเย็นก็ฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเช้าก็กำมือเดียวอย่างเนี้ยท่านก็แย่เมื่อท่านแย่แล้วแทนที่จะได้มรรคผลก็อดไปเลยยังดีที่ว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงอ่ะอผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงก็มาถามว่าเอ๊ะทําไมท่านถึงทะเลาะกันเพราะไปเยี่ยมเอาน้ํำปะนะไปถวาย ทำไมถึงว่าจะมาทะเลาะกันล่ะก็เห็นเดินมาคนละทางน่ะก็ต้องทะเลาะกันสีไม่ใช่เดินมาคนละทางแล้วบาเพ็ญสมณะธรรมเท่านั้นละผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าอาวุธฉันทําได้มไหมทมําไมจะทําไม่ได้ก็บอกฉันหน่อยซ็เหมือนกันกับคณะนักศึกษาทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เรียนไปแล้วเราไปบอกคนอื่นเนี่ยเขาสำเร็จไม่มีปัญหาเ่างเี้ทีนี้ก็ได้ทาไมจะไม่ได้เขาก็เรียนกับพระเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงจบแล้วกับคืนไปนั่งสมาธิคืนเดียวได้สำเร็จแต่พระอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์บอกได้แต่อาจารย์ไม่ได้อย่างเงี้ยน่าขายหน้าไหม อาจารย์ไม่ได้แต่ลูกศิษย์ได้นี่แต่ว่าไม่ขายหน้าหรอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อใครรับประทานใครก็อิ่มเรื่องเป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใหญ่บ้านมาได้สําเร็จแล้วก็คิดถึงบุญคุณท่านพระอาจารย์ก็อยากจะให้อาจารย์สําเร็จบ้างเขาก็เข้ายานนะดู ยังไงมองไปมองมาทิศมันกายเดินกลวดโอ้ฉันเข้าไม่อิ่มสักองค์นี่แทบจะแย่อยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยบอกชาวบ้านเตรียมอาหารให้เต็มที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาหารไปถวายพระหกสิบองอิ่มมีพีมันออพรรษาได้สำเร็จหมดนี่มัเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะ หลงพอต้องบอกว่าขึ้นดอยอินทนนท์เราก็ทำไม่เต็มเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเขื่อแตกแล้วออกกำลังเอ็กซเอร์ไซส์ทีนี้มันก็ย่อยเยอะสทีนี้ทานเท่าไหร่มันก็ย่อยหมดเพราะฉะนั้นสัพเพสัทธาหารถิติกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารในวันนี้ ก็จะพูดถึงเรื่องยานในข้อสุดท้ายแล้วนะทีนี้ในข้อสุดท้ายของยานเนี่ยก็จะต้องเกรนเกรนเอาะไรไว้ก่อนว่าเอา่ยานนั้นอ า, อาการของยานที่เราจะเรียนในวันนี้ก็หมายความถึงว่าเมื่อจะพูดกันแล้วเนี่ยมันเป็นของกว้างยานเนี่ยนะ ก็าจึงเรียกว่ายานนะอาจินไตที่มีคนถามว่าอาจินไตอ่ะแปลว่าอะไรมันคือมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นยานเนี่ยมันจะเป็นวงกว้างคิดเท่าไหร่ก็ต่อไปเรื่อยคิดเท่าไหร่ก็ต่อไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันกับคนตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันเนี่ยคิดมาตั้งแต่เกวียนพอคิดเกวียนได้คิดรถจนคิดรถจนตได้ก็คิดเรือบิน คิดจะบินได้กับคิดจะรอดอะไรอย่างเนี้ยมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเป็นหลายร้อยหลายพันปีมันจะไม่มีที่สินสนนนส้นสุดคิดน้ำก็ออกไปจนกระทังกลายไปเป็นลูกระเบิดปรมาโน่ในลูกระเบิดปรมาโน่เนี่ยเอ่าสุดถึงที่สุดมันทําลายโลกแต่ว่าในอลูกระเบิดปรมาโน่เวลานี้เขาทํามันเรียกว่าปรมาโน่เพื่อสันติมันก็กลายมาเป็นพลังงานทําไฟฟ้าให้เราใช้ โดยที่ว่าไม่ต้องไปเสียค่าน้ำมันไปเสียอะไรมากมายไกลกองก็ย่อลงมาเป็นปรมามโนเพื่อสันติพอได้ไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าก็มาใช่จิปาถาทั้งเดินรถทั้งลงมาทั้งเครื่องทำความร้อนเครื่องทงความเย็นสื่อสารต่างๆก็ได้มาจากปรมามโนอย่างนี้ทีนี้ก็เช่นเดียวกันกันกบ ญาณที่ที่จะพูดต่อไปนี้ญาณที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าฐานของจิตต่อด้วยอารมณ์กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่งถ้าจะคำนวณหลักวิชาการที่มนุษย์คิด ค, นค้นขึ้นมามากมายนี่มันมากเกียรติบายมานี่นะแต่ว่ามันมีจุดนิดเดียวคือจุดนิดเดียวก็คือจิตของมนุษย์จิตใจของมนุษย์เนี่ย คือใจที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแล้วก็นักคิดค้นทั้งหลายเนี่ยมารวนแต่มีใจทั้งนั้นเอาใจเนี่ยไปคิดออกมาต่างๆทีนี้ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนจุดนิดเดียวตรงนี้หันมาวิจัยและกําหนดวิธีการต่างๆอย่างกว้างขวางจุดนิดเดียวตรงนี้จะขยายยานทั้งหลายให้เกิดความดีความจริงล้วนลึก ลงไปสู่ความวิกิตพิสดารอย่างไม่น่าเชื่อหากว่ามีความตั้งใจจริงอย่างไรก็ตามมีความจำเป็นต้องมีศูนย์วิจัยแห่งการขยายยานนี้เนื่องด้วยศูนย์วิจัยนี้คือแหล่งที่รวมไว้ซึ่งสมาธิยานฌานปัญญาณนะที่จุดพลังอำนาจเมื่อศูนย์กลางของจุดพลังอำนาจไม่นิ่งเฉย ด้วยการสวยสุกแต่ทายเดียวคือสวยแต่ชันอยู่ทายเดียวมีญาณสติปัญญารวบรวมเป็นความพร้อมอยู่เสมอโดยการเจาะลึกก็ทําให้ญาณ น, นั้นขยายตัวออกตามลําดับด้วยการรวมตัวกันอยู่ที่จุดพลังอํานาจการเพิ่มพลังที่จุดพลังอํานาจมากเท่าไหร่ความมีญาณมีปัญญาและเคพียรพร้อม พร้อมที่จะขยายออกได้แบบกว้างขวางที่สุดกลายเป็นความคิดค้นในส่วนที่มีอยู่ภายในนั้นให้เป็นปรากฏการขึ้นมาได้เป็นการต่อเนื่องเหมือนกันกับเอที่เขาเรียกว่า discovery คือการค้นคิดที่เขาค้นคิดมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตยิ่งคิดก็ยิ่งพบ ยิ่งพบก็ยิ่งมากไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เปรียบด้วยยานที่เป็นตัวประกอบเข้าสู่จุดพลังอำนาจเจาะลึกเข้าไปในลักษณะเหมือนกันกับในที่นี้ที่อธิบายข้อหนึ่งเนี่ยคือข้อหนึ่งลักษณะแห่งความรู้อันนี้ลักษณะแห่งความรู้นั้นจะเป็นเหมือนเข็มเย็บผ้า ธรรมดาเข็มจะเจาะเข้าสู่เนื้อผ้าได้ทุกแห่งของผ้านั้นเข็มเนี่ยจะเจาะเข้าไปในผ้าได้ทุกแห่งเหมือนกับยานเป็นหน่วยขยายจากพลังแห่งจุดพลังอำนาจได้ทุกขนแห่งของจิตแม้จะมีลักษณะนิดเดียวแต่ในที่นั้นมันใหญ่โตมโหฬารมากละซับซ้อนเหลือขนานับยานจึงเป็นประดุจจะเข็ม ตามเจาะก็ไปสู่วงของการครอบครองของฐานแห่งจิตก็จะมีสิ่งสําคัญในอันที่จะได้รับจากกรณีที่มีความค้นคิดติดตามความค้นคิดติดตามของยานนี้เองที่จะค้นคิดออกมากีละอย่างสองอย่างทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ย เ, เพราะฉะนั้นอดีต ยานนี้ได้แสดงไว้อย่างนี้ปัจจุบันยานนี้ได้แสดงไว้อย่างนี้อนาคตยังจะมีอีกที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอาจินไตสุดที่จะคิดได้ว่ามันจบแล้วหรือยังคือว่าไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นต่อไปยังจะมีอีกยานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เพียงว่าบัญญัติไว้เมื่อเข้าถึงที่สําคัญในระยะ น, นี้เขาเรียกว่าที่สําคัญ คือระยะยานเนี่ยเขาเรียกว่าที่สําคัญ ท, ทําสมาธิมาถึงยานตรงเนี้ยเขาเรียกว่าที่สําคัญที่สําคัญนี่เวลาผิดก็สําคัญเหมือนคนอยู่สูงตกลงมาตายแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงที่สําคัญก็เหมือนคนอยู่ต่ําตกลงมามันไม่ตายบาดเจ็บนิดหน่อยยานนี้ยิ่งลึกซึ่งถือว่ายิ่งสูงฉะนั้นถ้าพลาชหมายถึงเสียหายหนัก อันนี้เป็นข้อตักเตือนแล้วทีนี้ก็อธิบายมาในข้อที่หนึ่งเลยว่าลักษณะแห่งความรู้เป็นลักษณะเหมือนเข็มเย็บผ้าตามธรรมดาเข็มเย็บผ้านี้จะแทงไปได้ทุกเส้นได้เพราะผ้านั้นจะเป็นผ้ามาได้ก็ต้องปรากฏด้วยเส้นได้รวมตัวกันส่วนเข็ม เล่มเล็กแต่เฉียบคมเข็มจึงผ่านไปได้ทุกๆุกแห่งของผืนผ้าแต่เข็มต้องเป็นเข็มไม่ใช่เข็มปลอมถ้าเข็มปลอมก็เอาไม้ทื่อๆมาทําเข็มปักไม่เข้าหรือว่าไปเอาดินน้ํามันมาถึงกับปั้นเป็นเข็ ม, มก็ปักมันไม่เข้าอย่างนี้เป็นต้นอหรือจะเอาดินสอชับมา บีบบีบเข้าหลออให้เป็นเข็มก็ไม่ได้เข็มก็คือเข็มเพราะฉะนั้นลักษณะญาณที่ว่าเหมือนเข็มพระญาณ น, นี้สามารถเข้าไปสอดรู้สอดเห็นในกรณีต่างๆได้ทุกกรณีพระญาณที่รวมตัวมาจากจุดพลังอำนาจขยายออกมาเป็นญาณที่จะเป็นลักษณะดังนี้ดังนี้ก็คือที่ได้ อ่าเนี่ยฟังไปเมื่อจะเกี้นี้แหละว่ามันมีความลึกลับแล้วก็เล็กนิดเดียวแต่ใหญ่โตมาโหลานอยู่ในจิตของคนเรานี่เหมือนกับที่เขาคิดเอมาจากเกวียนมารถจนมาเรือบินมาจรวดอย่างเงี้ยก็คือจิตของนักวิทยาศาสตร์ที่คิดออกมาเป็นยานออกมาเห็นเป็นอย่างนี้ แล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดยังจะมีอะไรอีกเยอะที่จะคิดต่อไปเช่นเดียว ก, กันกับยานของเราที่เวลาที่เขาไปสู่จุดนิดเดียวอันเนี้ยแล้วมันจะเกิดการคิดค้นขึ้นอันนี้อธิบายข้อที่หนึ่งข้อที่สองในปรากฏการทีนี้ปรากฏ ก, ก, การเนี้ยมันก็มีหลายๆที่เราได้ยินกันเช่น เ, เราจะเปรียบเทียบ ข้าวที่หุงจะสุกควันมันก็พุ่งออกมาและแสดงปรากฏการณ์ให้เห็นสิ่งที่ถูกกดดันเช่นดาวหางเกิดขึ้นมาสีขาวหางยาวบนฟ้าจะเรียกว่าปรากฏการณ์คนที่กำลังถูกโรกระบาทเช่นฝีดาดคนตายมากก็เป็นปรากฏการณ์เดนหลวงปู่เทศพระราชทานเพลิงศพมีคนไปมาก ก็เรียกว่าปรากฏการณ์ถ้าไปสักสิบคนนย่งคงไม่ใช่ปรากฏการณ์แต่นี่ไปเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนก็เป็นปรากฏการณ์หรือว่าคพมกันลาเเอานิ้วเท้าเนี่ยขีบหินหนักร้อยตันอย่างเงี้ยออย่าแปลว่าจะร้อยตันเลยเพียงแต่ไม่ถึงกิโลก็คีดมาอยู่แล้วเอแต่นี่ร้อยตันเอาไปสบายก็เป็นปรากฏการณ์ ปรากฏการแห่งยานหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระสอนภิกษุให้เป็นนักสมาธิจนได้เป็นพระอาจารย์จำนวนมากด้วยธรรมเทศนาปาฏิหารอันนี้ก็ปรากฏการเพราะว่าถ้าเป็นอาจารย์สอนได้สักองหนึ่งมันก็ไม่ใช่ปรากฏการหรือว่ า, าได้นิดๆหน่นนอยๆแต่ว่าก็ไม่มีชื่อเสียงอะไร ก็ไม่ใช่ปรากฏการ์แต่หลวงปู่ม่านเนธท่านมีทั้งแปดร้อยองที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอ่าแล้วก็แต่ละองค์นี่อย่างหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นในลูกศิษย์ของท่านอันนี้ก็จะเป็นปรากฏการ์อันหนึ่งทีนี้ที่พูดออกมาเนี่ยอุปมาเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าญาณ ถ้าไม่มีปรากฏการณ์นี่เราจะไปเรียกว่าญาณไม่ได้เรียกว่าญาณไม่ได้อเราจะไปเดาเอาหรือไปคิดเอาหรือว่าเอไปเสกสรรเอามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ไม่ใช่ของจริง อ, อ่หรือว่าอย่างหลวงปู่แทสอย่างเนี้ยมีคนไปงานศพสิบคนมาบอกว่าไปตั้งแสนอย่างเนี้ยไอ้อย่างนี้ไม่มีใครเชื่อไม่ใช่ปรากฏการณ์ เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตมันเป็นญาณเนี่ยมันต้องเข้าไปขยายหน่วยญาณเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์อันนี้ต้องมีถ้าไม่มีเป็นญาณไม่ได้อันนี้เป็นข้อที่สองข้อที่สามเอ้ยอ่าใช่แล้วข้อที่สามแนวทางแห่งความรู้ถ้าพบจุดที่เรียกว่าทำให้บังเกิดผลการค้นพบ เพาะใช้พลังความสามารถหลากหลายจึงจะค้นพบสิ่งที่ลึกซึ้งยากมากเช่นบุคลคลค้นพบทวีปที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบถือว่าเป็นบทสนมเหตุจริงๆในอดีตก่อนสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีใครคิดว่าจะค้นพบลูกระเบิดปรมาณูสงครามที่สุครั้งที่สองมีผู้ค้นพบและก็ได้ใช้มัน เป็นปัจจุบมเหตุให้สง ข, ขามโรคครั้งที่สองจบลงตลอดถึงการค้นพบจรวดปล่อยดาวเทียมไปโลกพระจันทร์และโลกราคานยานเป็นแนวทางที่จะต้องค้นพบในการที่เป็นยานนั้นยังมีอีกมากมายนักที่ยานนี้จะต้องถูกเบิกเป็นแนวกว้างต่ อ, อไปอีกมากทีนี้ข้อที่สามซึ่ง ในหัวข้อว่าแนวทางแห่งความรู้แนวทางแห่งความรู้เนี่ยคือสิ่งที่พบสิ่งที่พบในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นไ อ, อ้ปรากฏการณ์อันนี้จะเกิดขึ้นในระยะที่จิตของเราเนี่ยมันเข้าไปอสู่ฌานอาจจะเป็นปฐมฌานติยฌานตติยฌานแล้วยานจะเกิดขึ้น อยู่ๆก็ไปรู้จักโอ้คนนั้นมันนึกว่าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไอ้ปรากฏการณ์อันนี้มันต้องมีกับบุคคลมิฉะนั้นแล้วมันเป็นยานไปไม่ได้ไอ้ยานที่ว่าเราจะไปรักษาโรคใครครใดคนหนึ่งอย่างเนี้ยยานก็จะต้องรู้ว่าไอ้โรคนี้มันเป็นโรคอะไรมันหายได้ยังไงพลังจิตมันจะเข้าไปรักษาได้ยังไงอ่าแล้วทีนี้ เอ ee, เอไอจิตเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นเนี่ยสิ่งที่คน้นค้นว่าพลังจิตต้องเป็นอะไรสีไหนอย่างไรจึงจะทาให้เกิดความสำเร็จอันนั้นขึ้นมาได้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเพียงความนึกคิดมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่สามจึงยืนยันว่าถ้าสำเร็จขึ้นมาได้อย่างนี้ใช่แล้ว ถ้าไม่สําเร็จอย่างนี้ไม่ใช่ก็ยืนยันไปอย่างนั้นก็เรียกว่าอาการที่สามทีนี้มาถึงอาการที่สี่ความคมแห่งความรู้มาถึงขั้นนี้แล้วก็แสดงว่ายานได้เป็นรูปร่างขึ้นแล้วอยู่แต่ว่าเราจะปรับปรุงยานนี้ให้เฉียบคมขึ้นมาเป็นการใช้ได้แต่อาการที่สี่นั้น เหมือนกับเราไปรักษาโรคคนสําเร็จได้สําเร็จขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยอ่าการจะได้สําเร็จนั้นอ่ะเราจะไปสําเร็จทีเดียวอย่างเนี้ยก็เป็นการเสียหลักอหรือว่าเป็นการเสียหายพูดอย่างนั้นก็แล้วกันว่าเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะต้องรักษาได้หนึ่งได้สองได้สามอย่างนี้เป็นต้นเหมืนก็ได้มีดมาอย่างนี้จะฟันฟันต้นเดียวแล้วก็ปืนอย่างงี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเพิ่งทราบอย่างนี้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมายาณเนี่ยเรารู้แล้วว่าเรารักษาคนนี้หายหรือว่าเรารู้ใจคนนี้มันถูกต้องแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยจะต้องจับตรงนั้นเอามาแล้วก็ว่าเพราะเราตั้งจิตไว้อย่างไรเพราะเราวางแผนไว้อย่างไง เพราะเราผสมสีอะไรเพราะเราได้ทำอย่างไรอย่างเนี้ยอันนี้คือเป็นลักษณะแห่งการรับเหมือนกันกับว่าแต่พึ่งทราบอย่างนี้ว่าบุคคลเริ่มได้ยานนั้นเขาก็มีความประสงค์อยากจะลองเหมือนบุคคลที่ได้มีดมาเขาก็อยากจะฟันทดลองว่าจะฟันเข้าหรือไม่เข้าลักษณะตรงนี้เรีย ก, กว่าคนใหม่ คำว่าคนใหม่ก็หมายความว่ารู้ใหม่ยกตัวอย่างเช่นคนเรียนจบใหม่ๆก็ต้องอจึงต้องใช้ความชํานาญและประสบการณ์มากขึ้นยิ่งเป็นญาณก็ต้องละเอียดขึ้นเพราะเป็นนามธรรมจากนามธรรมมาเป็นรูปรธรรมในที่นี้จึงต้องฝึกฝนก็เรียกว่าฝึกนานผลจะออกมาอย่างไรนั้นต้องอยู่ที่ความเฉียบ ร่อยานนี้เป็นความวิจิตพิสดารยิ่งกว่านิยายหากว่าการฝึกฝนโดยการเข้าข้างตัวเองมันจะเกิดการปึ้นหมายความว่าหมดคมเสียหายได้อาการที่สี่คืออาการที่จะรักษาพอได้แล้วเนี่ยในตัวของอบุคคลผู้นั้นเองเนี่ยมันมีจิตสำนึกหรือว่ามีความมีสติ แล้วมีความเข้าใจในตัวเองว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วฉันต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีที่สุดอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในตัวของผู้ที่ได้ยานเองอทีนี้มาถึงอาการที่ห้าการที่ห้านั่นคือที่ตั้งหมายถึงฐานฐานนี้จะเป็นลักษณะจุดขาวใสขาวใส แต่ต้องระวังแต่อย่าไปเข้าใจเอานิมิตมาเป็นจุดนี้เพราะมันไม่ใช่ญาณเพราะจุดเขาใสานี่เองเพื่อให้เข้าใจง่ายบุคคลจึงเพ่งเอาแล้วทำเป็นสัญญาจนเกิดเป็นดวงจะว่าดวงอะไรก็แล้วแต่การเพ่งนั้นกลายเป็นกระสินจนเกิดนิมิตอย่างนี้เรียกว่าฐานจำลองไม่ใช่ฐานจริงเข้าใจตรงนี้นะ ทีนี้ฐานแห่งความรู้เนี่ยเป็นจุดขาวใสแต่ว่าไม่ใช่ไปเพ่งออกมาไปเพ่งออกมาเนะี่ยเป็นฐานจำลองไปเพ่งออกมาเป็นลูกอย่างนั้นเป็นดวงอย่างงี้ก็สุดแล้วแต่แต่ใครจะเพ่งไปแต่เมื่อเพ่งข้าไปแล้วการเพ่งคือกระสินกะสินกลายเป็นนิมิตนิมิตก็คือนิมิตไม่ใช่หยาดเพราะฉะนั้น เป็นฐานจริงแต่เรียกว่าฐานจำลองไม่ใช่ฐานจริง <c oughs> ดังนั้นจึงเกิดมีการแทรกซ้อนอันจะทำให้ผิดสเปกหมายความว่าผิดหลักเดิมได้ผลไม่เหมือนหลักจริงในที่สุดก็จะเหมือนนิทานที่ทำให้ตาเลสีตกน้ำสู่ในพรานไม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจุดขาวใสนี้จึงเป็นฐานของยาน เกิดขึ้นจากพลังหลักอันนี้ไม่ใช่พลังเฉลี่ยคือเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยมันจะมีพลังอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังหลักส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังเฉลี่ยพลังเฉลี่ยเนี่ยได้มาใช้ไปพลังหลักเนี่ยมันจะมาทําให้เกิดจุดขาวใสเนี่ยก็มาจากพลังหลักและเกิดขึ้นจากผูมิเพรชานต่อมา ยานเข้างานตามลําดับขั้นตอนจนกระทั่งจุดขาวสาใสเนี้เปรียบเหมือนเพชรการที่จะเป็นเพชรตัวจริงก็ต่อเมื่อเพชรนั้นเกิดขึ้นจากแหล่งของมันได้มันมาด้วยวิธีกรรมที่ถูกต้องโดยมีขั้นตอนจากต้นจนจบแล้วก็ได้มาพ็ได้มาก็เข้ามาเจริในาที่เบญเยียมอ ประเทศเป็นเยี่ยมเป็นประเทศทจิตจารนัยเพชรอันดับหนึ่งของโลกว่าเขาไปนั่นจริงนะไม่จริงเราพูดไปตามเขาแต่ล้ว่านเท่านี้เมื่อเสร็จแล้วคนก็ซื้อเพชรนั่นมาเราก็ซื้อการที่ไปซื้อมันจะซื้อด้วยความหลอกลวงซื้อด้วยความจริงเราเงินไปให้เขาจริงๆได้มาแล้วก็เพชรนั้นก็มาเป็นของเรานี่เขาเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนจบ และทีนี้ถ้าหาคนมันไม่เป็นของจริงเพชรก็ไม่มีที่เกิดมันก็ไปหลอมเอาเป็นเพชรรัสเซียอย่างเงี้ยอ่าเราก็นึกว่ามันของจริงเอามาถึงก็ขายไอ้เม็ดเท่าเนี้ยของจริงมันก็ต้องโดนกระไฟเม 8, 000, นะ็ดจะแปดแสนอย่งั้นแต่แท้ที่จริงเม 18, ็ดหนึ่งแปดพันเองอ่าเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงโดนต้มโดนต้มแล้วเป็นยังไงมันเดือดร้อนฟ้องปรับอะไรก็มี ไปเช่นเดียวกันกับเ้าเรียกว่าฐานแห่งความรู้ฐานแห่งความรู้นี่ต้องมาจากความจริงเพราะฉะนั้นใสขาวขาวใสอย่างเนี้ยมันเกิดจากฐานจะไม่ใช่ว่าไปเพ่งเอาเอามาไปเพ่งเอามานั่นไม่ใช่มันต้องเกิดจากแหล่งเ้าเรียกว่าแหล่งที่เกิดกิจุพลาาังอำนาจเพราะฉะนั้น ที่แหล่งกับเทอดไปแพ่งเอามันคนละเรื่องอทีนี้เนี่ยที่อธิบายมาเนี่ยต้องการที่จะให้นักศึกษาคือพวกเราเนี่ยอยู่ในขั้นไม่งมงายมีปัญญาเข้าใจว่ายานคือยานไม่ใช่ยานคือไม่ใช่ยานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในข้อที่หกวิชาแห่งความรู้ยาน อ่าสี่ห้าหอไรตรงน้าอันนี้ต้องท่องจานะอันนี้วิชาหมายถึงวิชาการได้แก่โครงสร้างวิชาการนั้นเกิดขึ้นจากผังแห่งโครงสร้างเช่นวิชาความรู้ของการศึกษาจะเป็นปถมมัธยมจะต้องมีแผนผังโดยการกำหนดวิชาการขั้นตอนการอ่านการเขียนหลักสูตร ตลอดจนส่วนเกี่ยวข้องจุดประสงค์ต้องการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้จนถึงหลักวิชาการต่างๆเพื่อให้แผนผังนี้เข้าสู่เป้าหมายจึงจําเป็นต้องตั้งโครงการขึ้นเรียกว่าโครงการศึกษาแห่งชาติจึงจะดําเนินการไปได้ตามกฎเกณฑ์นี่อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบถึงยานภายนอกอยานที่เขาเรียนนันก็เป็นยานเหมือนกันแต่ว่ามันธรรมชาติ เป็นยานภายนอกยานภายนอกเขาต้องมีโครงสร้างโครงสร้างมันถึงจะบรรลุปเป้าหมายมิฉะนั้นไม่บรรลุปเป้าหมายเพราะฉะนั้นมาถึงวิชาแห่งความรู้ยานในทีนี้ยานได้เข้ามากเกี่ยวข้องในงานนี้ได้อย่างไรในจิตของผู้ประสงค์ยานจิตสำนึกได้ก่อตัวขึ้นและก่อตัวขึ้นตามความคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อให้จิตสานึกกำหนดลงตรงที่ต้องการเกิดแผนผังขึ้นอย่างรวดเร็วในนาที่นั้นจนมีความนัน่นโครงสร้างของฐานเนี่ยเราสร้างกันมาตั้งแต่นึกอพุทโธเนี่ยเนี่ยสร้างโครงสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนึ้อพุทโธตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่นี่เห็นไหมเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มสร้างโครงสร้างเพราะฉะนั้นอนการสร้างที่ สร้างวิชาการตามโครงการการศึกษาแห่งชาติเขาก็วางแผนถังไว้ตั้งแต่คินเดอร์คารเดนโรงเรียนอนุบาลเนี่ย <c oughs> ทำไมถึงจำได้เพราะมันเป็นภาษาเยอรมันคินเดอร์แปลว่าเด็กคินเดอร์ารเดนเพราะฉะนั้นโครงสร้างอันเนี้ยกลายไปบรรลุจุดเป้าที่หมายคือด็อกเตอร์อย่างเนี้ยเป็นโครงสร้าง เพราะฉะนั้นเราก็สร้างคงสร้างตั้งแต่อานุบาลใครคือผู้รู้จิตตั้งอยู่ที่ไหนวางใจไว้ตรงไหนกาหนดใจไว้อย่างไงให้ที่เริ่มต้นมานะมันเป็นมีความหมายทงนั้นนักศึกษาทั้งหลายคิดว่าหลวงพ่อพูดเล่นอ่ะที่ตอนนี้ไม่ได้พูดเล่นแล้วพูดจริงๆคือว่าเราตั้งไว้ตรงไหน นั่นคือฐานที่เราเริ่มขึ้นนีนน่คือโครงการโครงการศึกษายานที่สร้างขึ้นอย่างนี้เราว่างเงี้ยก็แล้วกันแล้วทีนี้ อ, อพร้อมแล้วที่จะสร้างโครงสร้างของยานให้สําเร็จตามเป้าหมายเพราะว่าโครงสร้างของวิชาการที่เกิดขึ้นเป็นความจริงเรียกว่าวิชาการเนื่องจากวิชาการมาตรฐานของยาน จากหน่วยงานของจุดพระหลังอำนาจฟังตรงนี้ให้ดีว่าได้มาถึงนี่แล้วเราก็จะรู้ว่าตอนจบมันเป็นยังไงทีนี้มาตอนจบมันก็มาเป็นอย่างนี้คือหมายความว่าเมื่อเราตั้งบริกรมรมคุทโธเราวางไว้ที่หน้าผาก อ, อตรนภาผากก่อนอ่าพอวางไว้ที่หน้าผากแล้วเราก็บริกรมรมคุตโธ พอบริกรรมพุทธอแล้วเราก็ถามว่าใครคือผู้รู้เริ่มรัดทเนี้เริ่มคินดดเดคาเดนหมายความว่าเริ่มโรงเรียนอนุบาลมาไม่เริ่มโรงเรียนอนุบาลแล้วไอคมันไม่เต็มเท่ อ, อคนไปเรียนเอาปฐมเลยเรียนเอามาัตเตอเรียนรัดเลยศึกษานอกโรงเรียนเลยอะไรอย่างเนี้ยไอคิวมันหายเพราะฉะนั้นเขาจะได้พัฒนามาตั้งแต่อนุบาล เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าใครคือผู้รู้แล้วก็บางคนไม่เอานะ เ, เพราะฉะนั้นอ่อถ้าต้องการอยากจะสร้างคงสร้างการศึกษาแห่งยานที่สร้างขึ้นต้องทำอย่างนี้เวลาเราจะไปสอนคนอื่นก็เหมือนกันอ่าต้องสอนตั้งแต่ต้นขึ้นมาเลยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จะต้อง เป็นโครงสร้างขั้นที่สองต่อมาการวางจิตขั้นที่สามต่อมาการกรองอารมณ์ขั้นต่อมาคือพอเวลาที่จิตเข้าชา้นที่หนึ่งจิตมาเข้าชา้นที่สองอันนี้เริ่มละเริ่มปฐมขึ้นมาละเดี๋ยนี้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าปฐมฌ า, านอย่างนี้เป็นต้นพอชั้นปฐมขึ้นมาอันนี้คือโครงสร้างเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเรียกว่าโครงสร้างตัวจริง ทีนี้ถ้าโครงสร้างไม่จริงก็ไปนึกอะไรลอยๆมาไปเดี๋ยวเสร็จแน่เอาละผ่านทีนี้วันนี้เราต้องอธิบายอันนี้ให้มัน เ, เต็มที่มันเกินเวลาไปอีกชั่วโมงหนึ่งเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องพูดกันให้หมดเปลือกพอมาถึงข้อที่เจ็ดความละเอียดแห่งความรู้ ความละเอียดแห่งความรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นละทีนี้ต่อไปนีที่เรียงลําดับไว้เนี่ยอย่าไปคิดว่าคนจะมาเรียงเอาง่ายๆนะเออไม่ใช่เรียงเอาง่ายๆนะเนี่ยได้ศึกษาได้ไต่ถามเอ่อจากหลวงปู่มั่นตลอดจนกระทั่งตัวเองก็ต้องนั่งเอ่อหลวงปู่ท่งนก็บอกว่าแกอย่าไปเชื่อฉันนะอ้าวไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วจะไปเชื่อใครหมายควน ก็เชื่อตัวเองสิเราบอกแกทำอย่างนี้แกทำได้ไหมนี่แล้วมันถึงจะมาเป็นข้อห้าข้อหกข้ออห่งอย่างเงี้ยเนี่ยใครจะคิดว่าตั้งขึ้นมาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นต่อไปข้อที่เจ็ดความละเอียดแห่งความรู้เมื่อการดาเนินไปเช่นโครงสร้างของการศึกษาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเป็นระบบงานต้องมีการเรียนต้องมีการสอน ต้องมีการศึกษาต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนําตลอดถึงนักเรียนต้องเรียนจนเกิดความรู้เกิดความฉลาดหน้าที่นี้ต้องอาศัยความละเอียดถี่ยิบเพื่อจะเจาะลึกลงสู่ความเป็นวิชาการนั้นเป็นรูปธรรมจึงจะสามารถให้ความสําเร็จแก่เหล่านักศึกษาสู่เป้าหมายได้ตามความประสงค์ ของโครงการแล้วมีโครงการเฉยๆไม่ได้โครงการเขียนไว้เมื่อเขียนไว้แล้วครูต้องไปนั่งสอนไอ้เวลาครูไปนั่งสอนเนี่ต้องจีต้องใช้เด็กมันก็สอนเ อ, อ่ถ้าสอนไม่ได้ก็ตัดเงินเดือนเสียอย่างเงี้ยครูก็กลัวโดนตัดเงินเดือนจ้านักเรียนมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเนี่ยครูหน้าดูอ่ะไอ้ไม้สี่เหลี่ยมนะอไม้ประยุงด้วย ไม้สี่เหลี่ยมเนี่ยสอกหนึ่งอย่างเงี้ยถ้ามาไว้บนหัวอย่างเนี้ยอ่อานผิดนะผิดป๊อกผิดฟอกอย่างเงี้ยเราไปฟ้องใครก็ไม่ได้เพราะว่าสมัยนั้นอ่ะยังครูยังโตนั่งเวลาตีเอาทางแบนตีมันไม่เจ็บเล่นเอาทางคมตีด้วยอย่างเนี้ยอ่าสี่เหลีย่ยมอย่างบางคนฟอกนี่หัวน่วมหมดกว่าจะได้แต่ละตัวแต่ละตัวอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นขั้นตอนคือความละเอียด ในการที่เขาจะสอนเราให้มีความรู้เนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะไอเดียของครูเนี่ยรับมาก็จริงอคนนั่งก็รับมาคนนี้ก็รับมาแต่พอเวลาที่ไปสอนจริงๆต้อง จ, จําจีจําใช้เขียนไม่ได้ต้องจับมือเขียนอะไรเนี่ยอันนี้คือความละเอียดอความละเอียดทีนี้มาถึงยานเช่นเดียวกันต้องใช้จิตที่ฝึกสมาธิอบรม โดยตั้งผู้รู้นี้เป็นหน่วยติดตามอันนี้ไม่ได้ขีดด้วยมิฉะนั้นต้องขีดนี่เราไม่ได้ขีดเคผู้รู้ก็หมายความว่าใครคือผู้รู้เนี่ยมันต้องติดตามอยู่ตลอดถ้าไม่ติดตามตลอดเนี่ยเราจะเสียขั้นตอนแล้วเราจะไม่พบครูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น <c oughs> โดยตั้งผู้รู้นี้เป็นหน่วยติด ตามจะเกิดความละเอียดขึ้นตามลําดับเพราะความหยาบในขั้นต้นๆจิตนั้นยังเป็นสมาธิหยาบแต่พอผู้รู้ติดตามสมาธิมาตามลําดับจะรู้สึกว่าจิตอันเดิมนี้เองได้ละเอียดลงตามลําดับผู้รู้ก็จะซึ้งลงตามลําดับญาณก็จะชัดขึ้นตามลําดับความชัดเจนนั่นเรียกว่าความละเอียดแห่งความรู้ ทีนี้เมื่อเวลาที่เร า, เาทำฌานฌานเกิดขึ้นอย่างปฐมฌานหรือว่าจิตเข้าผวังหรือว่าจิตเข้าไปเห็นนิมิตรหรือว่าจิตเกิดความเย็นหรือว่าจิตเกิดความแกล่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยอาจารย์คอยแนะนำไปเดี๋ยวคนอะไรไปหลงเพลินนิมิตไปซะ เราก็เลยโอ้ยเดี๋ยวก็หลงไปหลงชานซะก็หมายความว่าเอาไปโรงเรียนครึ่งวันนอนสัครึ่งวันอย่างเนี้ยเสร็จแน่ๆอ่าเสร็จแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นไปเ yeah, <but> สร็จวันเนี่ยอย่าไปนอนสิครึ่งวันเอาไว้เวลากลางคืนก็กลับมานอนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่จะทําความละเอียดตามลําดับเนี่ยคือขั้นตอน ที่ยางหลวงพ่อบอกอย่างเงี้ยเวลาจิตจะสงบเดี๋ยวเดี๋ยวนักศึกษารอก่อนรอก่อนจะเพื่อใมันสงบให้มันมีความรู้อยู่ทั้งนี้เพื่อจะเอาพลังจิตอย่างเนี้ยแล้วนักศึกษาไม่เชื่อนา ง, า, างพับข้าวพวงปุบสปปะพงกพับอย่างเงี้ยนก็เสร็จกัน <c oughs> มันไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้เขาเรียกว่าละเอียดถี่ยิบนจําเป็น จำเป็นต้องคุยกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ายังไงเสียการอธิบายยาเ น, นี่ยมันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราอธิบายต่อไปมันจะกลายอธิบายวิปัสสนาแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องอธิบายกันซะให้มันแจ้งข่าวไปเลยเราจะได้รู้ว่าไอเราทําอยู่เวลานี้มันถูกต้องไหมมันละเอียดไหมเพราะมันละเอียดก็จะหมายความว่านั่งแม้ตัวลอยไปเลยอย่างนี้ หาเวลละเอียดมันไม่ใช่หรู้ว่านั่งเสร็จแล้วมุย้ยสบายวันไหนวันนั่งสมาธิาวันนี้ไม่ได้สมาธิเลยอันนั่งมหาห้าวันห้าวันก็ไม่ได้แต่จะนึกคิดอันนั้นแหะที่มันได้และทีนี้วันไหนได้โอ้วันนี้ได้เป็นไงสบายเลยอเนี่ยอันนั้นมันใช่ อ, อย่างที่ว่าเราสบายเราเป็นฌานเนี่ยนะอันนั้นมันใช้พลังจิตมันไม่ได้พลังจิต ให้เข้าใจอย่างนี้ด้วยเนะพราะเวลาที่เรารู้ตัวเราอยู่เสมออย่างนี้พอเวลาเนื้อผู้ทรมุ่นร้อนเดี๋ยวเราก็เนื้อไปเนึกอ ไ, ไปแล้วก็ดึงมันมาเนึกไฟก็ดึงมันมาอย่างนี้มันคือว่าเรากำลังสร้างพลังจิตของเราอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วคนก็บอกว่าโอ้ยมันต้องได้ชาร์จมันถึงจะได้พลังจิตแม่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอย่างนี้ถึงจะถูกต้องและ อย่าไปคิดว่าเรานั่งสมาธิเกือบตายไม่เห็นได้อะไรแท้ที่จริงมันได้ตังเยอะและยังว่าไม่ได้ก็ลําบากอยู่เช่นอย่างว่าเราลองคิดดูว่าเช่นอย่างว่าออไอเด็กนักเรียนที่มันไปเรียนหนังสือเนี่ยมันก็ไปเรียนหนังสือเอถามแกได้อะไรตัวคอตัวขอตัวค อ, วอแกได้ยังไม่เห็นได้ก็ไม่เห็นมันได้สักเทอะ หมดปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เห็นได้สักทีเมื่อไม่ได้สักทีก็อไอ้แก่เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วละแต่แท้ที่จริงอะ่ะพอไปสักผ่านปีหนึ่งสองปีแล้วมันได้ขึ้นมาได้อย่างไร ท, งทั้งทัที่มันก็ไปเล่นกับเขาไปคุยกับเขาเช่นเดียวกันเวลาที่เรานั่งสมาธินะเราก็นึกแต่เราดึงมันมาอ่า เราก็เหมือนกับเราไม่มีสมาธิแต่ถึงมันมาใจที่เรารู้อยู่อย่างนั้นอ่ะมีพุโทโธอยู่แล้วกาหนดจิตอยู่ตั้งจิตอยู่เป็นสมาธิอย่างนี้อันนี้ถ้าหากที่มันได้อ่าข้อที่แปดสุดท้ายความรู้สึกแห่งความรูเ้เมื่อนักเรียนได้เรียนสู่จุดเป้าหมายแล้ว พวกเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเกิดความรู้แล้วในตัวของนักเรียนเองอันนี้หมายถึงว่าคนที่ไปเรียนนั้นนี่เราพูดกันแบบโครงการศึกษาแห่งชาติเขาเรียนกันไปรัฐบาลใช้กฎหมายถ้าใครไม่ไปเรียนผิดกฎหมายต้องไปเรียนประถมต้องไปเรียนมัธยมอะไรต่างเนี้ย ในที่สุดเกิดจบประถมเกิดจบมัธยมอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าจุดที่หมายพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเกิดความรู้แล้วในตัวของนักเรียนเองโดยที่พวกเขาจะเกิดวิชาการขึ้นอย่างประทับใจว่าเขาได้จบชั้นประถมจบชั้นมัธยมจบปริญญาความรู้สึกในการที่เขาสาเร็จนี้ทำให้เขาภาคภูมิใจว่า เราคือบัณฑิตเราคือด็อกเตอร์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความบรรลุจุดเป้าหมายที่แท้จริงเราเติมไปหน่อยอ่าแค่นี้ให้บางคนไม่เป็นด็อกเตอร์มั น, เ, นเป็นด็อกเตอร์ห้องแถวอ่าแล้วก็หาว่าตัวเป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเนี้ยหรือว่าคนมานะอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็จะมาว่าฉันจบ อย่างนี้ไอความรู้สึกเราลองคิดดูซิว่าความรู้สึกคนนั้นเป็นยังไงออย่างที่เราเนี่ยไม่ได้ชั้นมัธยมสักหน่อยอไปซื้อเอาใบนั่นมาแล้วก็มาเป็นมัธยมอย่างเงี้ความรู้สึกของคนนั้นน่ะมันมีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่า เ, เราในร้อมเขาจะคิดอย่างนั้นตลอดชีวิตที่เขามีอยู่ลองคิดอย่างนั้นคนอื่นไม่คิดอ่า แต่ว่าตัวเองต้องคิดเพราะว่ามันไม่จริงแต่ทีนี้ถ้ามันจริงมีอะไรอ่ะไม่มีความกังวลไม่ได้คิดถึงมันแต่มีความรู้สึกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลายานเกิดขึ้นเนี่ยอาการสุดท้ายเนี่ยคือความรู้สึกรู้สึกว่าเราเนี่ยสำเร็จแต่ว่าไอ้บางคนน่ะได้ลูกอะไรไม่รู้ลอยละลิ่วมาแล้วก็ว่าได้สำเร็จ เออมันไม่ใช่อันนั้นน่ะความรู้สึกก็ น, นั้นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงยืนยันว่าข้อที่แปดความรู้สึกความรู้สึกแห่งความรู้เนี่ยเราความรู้สึกแล้วก็เติมแห่งแล้วก็เติมความรู้น่ความรู้อันนี้คือความรู้จริงคือหมายความว่ามันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นยานก็เช่นเดียวกัน เมื่อจิตได้รับการอบรมตามลำดับจนเขาเกิดญาณหมายถึงความรู้สู่ความสำเร็จจิตนั่นจะเกิดความโปรง่งใสพบจุดพลังอำนาจพร้อมกับความสว่างมีหน่วยงานออกมาจากจุดพลังอำนาจก็เกิดความชัดเจนขึ้นเช่นญาณรักษาโรคไภัยไข้เจ็บก็มีความชัดเจนขึ้นมาเองเพราะว่าญาณได้ทำหน้าที่ให้เก่เขาตามที่กาลังญาณมีอยู่จนเป็นผลสาเร็จ อันนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อจุดพลังอำนาจมีพลังที่พร้อมแล้วความรู้สึกแห่งความรู้จะเกิดขึ้นทันทีเนี่ยพอได้แล้วจะรู้วันสอบพับจบด็อกเตอร์ฮจบจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าจบพร้อมอ่ะจบจริงๆความรู้สึกจะมีอันนึงความรู้สึกในตัวของบุคคลบนนั้นจะมีอันนึง แล้วก็ในขณะเดียวกันกับยานที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นน่รักษาโรคได้ทันทีเห็นอะไรอะไรอย่างนี้ความรู้สึกนั่นจะเกิดขึ้นทันทีและเป็นของจริงเขาเรียกว่าความรู้สึกแห่งความรู้ขั้นตอนนั้นได้บรรลุเป้าหมายความภาคภูมิใจความประทับใจก็เกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งความรู้สึก แห่งความรู้คือยานาไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านะอุตสาพูดเกือบแย่ <c oughs> ถ้าไม่เข้าใจเขาแทบไปแล้วที่หลวงพ่อพูดเนี่ยฉะนั้นเอาแทบมันเนี้ยออกไปฟังอีกทีนะ่เพื่อที่จะได้ชัดเจนขึ้นว่าเราได้เรียนจบยานแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหากว่า มันสงสัยอะไรหรือว่ายังไงเนี่ยเอาไปฟังดูทั้งนี้เพื่อให้คณะนักศึกษาเนี่ยได้ตระหนักถึงความจริงว่าการสรุปยานออกมาอาการเนี่ยสรุปยานออกมามันเป็นอย่างนี้จริงๆน <c oughs> อหมดเวลาเลยละ่ะ แม่ลมขึ้นพอดีเอายามาวันนี้คงไม่มีถามตอบตอบก็คงตอบไม่ไหว <c oughs> ลมขึ้น <c oughs> <c oughs> แน่นแน่นอกแน่นอกเอออืมรอดตัวไป